ถ้ายังมีฉันทราคาในส ม, มะถะและวิปัสสนาก็ยังบรรลุไม่ได้แต่ปัญหาว่าขอให้มันรักส ม, มะถะวิปัสสนาอย่างน้อยก็สวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะบางคนเนี่ยแบบกุศลยังไม่ได้เจริญอะไรเท่าไหร่บอกไม่เอาแล้เพราะฉะนั้นเขากลัวติดในกุศลเลยไม่ทํากุศลนี่ไงนะก็มาว่ามันก็เกินไปเหมือนกันนะกลัวติดในกุศลก็อบอกว่าเขาไม่เจริญหรอกส ม, มะถะกลัวติดในส ม, มะถะฟั้นสู้ทนฟุ้งซ่านต่อไปดีกว่าไม่ต้องติดเนี่ไนะ เชื่อไหมเขามารู้จักไม่น้อยเลยนะคนที่คิดแบบนี้นะอันนี้ไม่ได้ยกตูขึ้นมาเอามาแบบอะไรมั่วนิ่มไม่ใช่นะมีคนพูดแบบนี้จริงๆแหละเขาไม่เจริญหรอกเขากลัวติดเขาว่างั้นปัญหาเขามานะขอให้มันติดก่อนแล้วค่อยแก่ ถ้าแกะไม่ได้ก็ยังน้อยก็ไปพรหมโลกก่อนก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยใช่ไหมน้องน้อยข้าวไม่ต้องฉันไม่ต้องบินทบานไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องยากไม่ต้องเปืดอม้วยอปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนอนไม่หลับไม่มีเนี่ยนะสบายพรหมโลกดีอย่างเดียวนี่นะขอให้มันติดประทับาฉนก่อนเถอะเนี่ยนะปัญหามันติดไม่อาหารนี่ยในลำบากอ้วนเอาอ้วนเอานี่ยุ่งนะเนี่มาขึ้นปัญหาต่อไปปัญหาที่หกเนี่ยนะ นี่ปัญหาที่ห้ายังไม่ได้อธิบายเลยเนาะปัญหาที่มาอมอธิบายในอัตถกาถ า, าเพิ่มเติมสักเล็กน้อยหน้าสามร้อยสองสามร้อยสามสามร้อยสองก็สองสามมันทัดล่างบอกว่าโอเออปัญญาเนี่ยนะต้องต้องอบรมใช่ไหมอบรมปัญญาคืออบรมความรู้ชัดปัญญานั้นเป็นภาเวตาปรธรรมเป็นสิ่งที่ต้องเจริญอธิบายว่าปัญญาคือความรู้ชัดหรือวิปัสสมัครปัญญาเนี่ยนะ รู้ชัดในหนทางก็คือวิมักปัญญานั่นแหละขณะที่มักปัญญาเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ต้องอบรมต้องเจริญต้องทำให้มากเราจะได้ยินบ่อยๆใช่ว่าเจริญอะไรเจริญวิมังสาธิปติเจริญ ธรรมวิจยะสัมโพชงเจริญวิมังสิทธิบาทเจริญปัญญีสีเจริญปัญ ญ, ปญญาพละเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆะอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละก็คือให้เจริญนะนะปัญญาเน้นเจริญอย่างเดียวเจริญนี่แปลว่าอะไรแปลว่าทําให้มันโตขึ้นภาษาเขเมรเนี่ยชาติีเจริญก็แปลว่ามันเยอะใหญ่มากขึ้นเยอะมากขึ้น น, นะเจริญนี่เป็นภาษาภาษาภาษาบ้านเกิด ส่วนความรู้แจ้งเน่ยนะความรู้แจ้งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่จะต้องอะไรนะเป็นปริญญาธรรมนะที่ต้องกําหนดรอบรู้เพราะฉะนั้นความรู้แจ้งคือวิญญาณเนี่ยนะกิจปริญญาเพราะหมายเอาวิปัสสนาปัญญาเนี่ยนะคือวิปัสสนาปัญญาเนี่ยนะจริงอยู่ว่าวิปัสสนาปัญญานี้ต้องเจริญแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องทำต้องต้องเจริญต่อไปอีกด้วย คือหลักการเ้ามีอย่างนี้ว่าพวกพวกวิปัสสนาปัญญาเนี่ย น, น, นะก็คือธรรมวิจยะสัมโพชงใช่ไหมเข้าในาสติปัฏฐานกล่าวว่า <ME LE C TION> เมื่อธรรมวิจยะสัมโพชงมีอยู่ณภายใน <ME LE C TION> ก็รู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชงไม่มีอยู่ในภายในธรรมวิจยะสัมโพชงไม่มีอยู่ในภายในก็รู้ชัดว่าไม่มีอยู่ในภายใน ธรรมวิจยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมวิจยะสัมโพชง์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญภัยบู์โดยประการใดก็รู้ชัดโดยประการนั้นด้วยแปลว่าต้องรู้ว่ามันเกิดหรือมันไม่เกิดที่ยังไม่เกิดมันจะเกิดได้ยังไงที่เกิดแล้วมันจะโตขึ้นโตขึ้นบริบูนได้ที่ไหนเขบอกโน้นอรหัตตมรักแล้วค่อยพอเนี่ยนะเพราะฉะนั้น ต่างว่าปัญญานั้นเป็นภาวนาปัญญานี้ต้องเป็นสิ่งที่ควรเจริญนะนะต้องคงไม่ลืมว่าปัญญาเป็นสิ่งที่ควรเจริญส่วนจิตเป็นสิ่งที่ต้องกาหนดรอบรู้นี่มาขึ้นปัญหาที่หหน้าหน้า 280, ข้อ495หพระมหาโกธิตาก็ถามเรื่องเวทนาว่าท่านผู้เจริญหรือว่าท่านครับที่เรียกว่าเวทนาเวทนาเนี่ยด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรน้อแหล่เขาจึงเรียกว่าเวทนา นะที่เขาเรียกว่าเวทนาภาษาดิบุตอบนะที่เขาเรียกว่าเวทนาก็เพราะว่าเวเทติเวเทตีติธรรมชาติที่เสวยอารมณ์ธรรมชาติที่รู้สึกสเสวยอารมณ์นั่นแหละคุณชื่อว่าเวทนาธรรมชาติที่รู้สึกสเสวยอารมณ์คืออะไรสเสวย ร, รู้ความรู้สึกว่าถ้าอารมณ์ที่ไม่ดีนี่จะสุขได้ไหมไม่ได้ก็เมื่ออารมณ์ที่ดีก็ก่อให้เกิดความสุขสเสวยอา ร, รมณ์ที่เป็นสุขเพราะอารมณ์ดี เสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์เพราะอารมณ์ไม่ดีเสวยอารมณ์ปานกลางทั่วไปก็อุเบกขาเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยอิทธารมเป็นที่ตั้งแห่งความสุขอนิถารมเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มัชัตาารมอารมณ์ปานกลางทั่วไปเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเพราะฉะนั้นเวทนามันเป็นตัวเสวยอารมณ์อย่างที่บอกว่าทุกๆอะไรในโลกเนี่ยนะว่าดีหรือไม่ดี ดีหรือไม่ดีเขาอะไรเป็นเครื่องวัดใช่หไหมถ้าอันไหนสบายเนี่นนนนนยนั่นน่ะดีอันไหนสบายเนี่ยนัอันไหนก่อให้เกิดความสุขเราจะยอมรับเหมือนกันบทอันนั้นดีถ้าอันไหนก่อให้เกิดทุกข์เราบอกว่ามันดีได้ไหมไม่ได้ถ้าอะไรแหมเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ปานกลางอ่ะนะจะว่าดีก็ไม่ใช่จะว่าไม่ดีก็ไม่เชิงว่างั้นนะั้นก็คือมันกลางกลางระหว่างจะว่าดีก็ไม่ใช่คือจะว่าดีไปเลยก็ไม่ได้จะว่าไม่ดีก็ไม่ได้คำว่างั้น เพราะฉะนั้นเวทนาคือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์ น, น, นสวยอารมณ์ถ้าอารมณ์ที่ดีก็สุขถ้าอารมณ์ที่ไม่ดีก็ทุกข์เนี่ยนะถ้าอารมณ์ที่ปานกลางทั่วไปก็เฉยเฉยเพราะฉะนั้นความสวยอารมณ์นั่นแหละชื่อว่าเวทนาในอัตกฐานหน้า303เนี่ยนะบรรทัดที่สม จากข้างบนบอกว่าทําไมท่านจึงคําถามว่าเวทนาเวทนาความรู้สึกความรู้สึกก็เพราะว่าความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ของการพิจรารณาเนี่ยนะเวทนาที่เป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนานั้นหมายถึงเวทนาในภูมิสที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุก ข, ขมสุขเวทนาจริงอยู่ท่านกล่าวถึงอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งสุข อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งทุกอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เรียกว่าเวทนาคือบางทีสุขเนี่ยหมายถึงอารมณ์ก็มีทุกข์หมายถึงอารมณ์ก็มียกตัวอย่างเช่นว่าถ้ารูปเนี่ยมันทุกโดยส่วนเดียวมีแต่ทุกครอบงาย่ายีสุขกล่ํากลายเข้ามาไม่ได้จะมีสัตว์ที่ไหนไปกาหนัดติดใจในรูปล้นี่ไหมถ้ารูปมันมีแต่ทุกทุกทุกทุกๆุอย่างเดียวเนี่ยนะ จะมีใครชอบบ้างะนะอย่างเช่นว่าป่าเขาลําเนาวไพรเป็นต้นหรือว่าสวนดอกไม้เนี่ยถ้ากุหลาบมันมีแต่น้ําอย่างเดียวเลยเนยะใครเดินเข้าไปมันต้องปักต้องเกาะต้องเกี่ยวต้องขูดต้องควนเนี่ยนะใครจะไปชอบดอกกุหลาบใครจะไปปลูกกุหลาบบ้างในชะ่ไหมแต่เนื่องจากมันมีดอกสวยๆนะั่นแหละสัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดติดใจในดอกไม้ทั้งหลายทีนี้ถ้ารูปมันมีแต่สุขอย่างเดียวเนี่ยนะไม่มีทุกข์เข้ามากล้ามกรายเลย แล้วใครจะไปเบื่อหน่ายในรูปอ่ะมีไหมไม่มีเพราะว่ามันมีทั้งเป็นที่ตั้งแห่งสุขมันมีทั้งเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นี่แหละสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในคือถ้ามีแต่อสสาท่าอย่างเดียวก็ไม่มีใครเบื่อหน่ายถ้ามีแต่อาทีนวะอย่างเดียวก็ไม่มีใครติดแต่เนื่องจากว่ามันมีสองด้านะนะมันเป็นที่ตั้งแห่งสุขด้วยมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยแต่อันไหนมากกว่ากันถ้ามาทบทวน แม้จริงจะสุกเล็กน้อยแต่มันก็อร่อยรู้สึกว่าอร่อยนานเนี่ยนะเชื่อไหมอย่างอะไรนะเราถ้าชาวนานเนี่ยกว่าจะได้อาข้าวมาทานเนี่ยนะกว่าจะสาเร็จมาเป็นเมล็ดข้าวสวยที่ต้มเสร็จแล้วหุงเสร็จแล้วมาทานเนี่ยแม้กว่าจะได้มาขนาดนี้นะแต่แม้ว่าก็าว่าเจอเข้าวหอมไปชุกช้อนเดียวก็ชื่นใจเลยนะลืมเหนื่อยที่ผ่านมาปลิดทิ้งกางนั้นแนะะ คือคือบางทีเนี่ยไอความสุขที่มีเล็กน้อยมันก็กลบความทุกข์ทั้งมวลที่เคยมีมาหมดเนี่ยนะก็มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นวัตฏะมันเลยเจริญเนี่ยนะเจริญเอาเจริญเอาเจริญด้วยชรามรณะโสกะไม่มีจบมีสิ้นแต่ขณะเดียวกันถ้ารูปทั้งหลายมันจะให้แต่ความสุขอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นมาในโลกทําไมคือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเพื่อจะบอกทางเพื่อความดับทุกข์ทางเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อมันสุขอยู่แล้วจะต้องออกทําไมเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเวทนาก็เหมือนกันถ้าเวทนามันมีแต่ทุกอย่างเดียวก็ไม่รู้ว่าใครจะติดบ้งแต่เนื่องเวทนาที่เป็นสุขก็มีนะยิ่งคนที่คิดจะออกจากวัตตะเนี่ยคนเหล่านี้ยิ่งมีความสุขมากทีนี้มีความสุขไปเยอะๆเข้าจริงๆดันไม่อยากออกอีกแล้วเพราะอะไรเพราะไปติดในความสุขนะนะเนี่ยนะว่าก็เลยลืมทําบุญลืมเจริญบุญเพราะลืมเจริญบุญทุกเข้ามาใหม่อีกแล้วนะนะก็วัตตะกว น, นๆอย่างนี้แหละสัญญาก็เหมือนกันถ้ามันทุกอย่างเดียวเนี่ยนะใครจะไปติด แต่เนื่องจากว่ามันมีสุขจึงมีสัตติถ้ามันมีมันทุกอย่างมันสุขอย่างเดียวก็ไม่มีใครปล่อยแต่เนื่องจากว่ามันมีโทษด้วยมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยสรุปว่าขันห้าเนี่ยนะถ้าจะมีแต่อาาัสาธาหนาเพลิดเพลินชื่นชมอย่างเดียวก็ไม่มีใครเบื่อหน่ายแต่ถ้ามันทุกโดยส่วนเดียวก็ไม่มีใครกำหนัดและติดค้องอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่า ควรทราบใจความในเรื่องความรู้สึกคือเวทนาอย่างนี้ว่าเวทนาที่เป็นสุขนะเพราะอะไรเพราะก่อให้เกิดความสุขเนี่ยนะย่อมจะทําความรู้สึกที่เป็นสุขอันก่อนอ่าก่อให้เกิดอารมณ์แล้วจึงเสวยก็เพราะว่ามีอารมณ์ที่เป็นสุขนั่นแหละจึงก่อให้เกิดความสุขถ้าไม่มีสิง่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขแล้วคนจะมีความสุขไหมยอย่างเขาบอกว่าอย่างเราบอกว่าเออคนนี้ทําไมเขามีความสุขแพ้เนี่ยนะ แสดงว่าเขาต้องมีเหตุมีปัจจัยสิ่งที่มาก่อสิ่งที่มาสร้างทําให้เขาได้รับความสุขและคนที่มีความทุกข์ล่ะเขาก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยเนี่ยนะสิ่งที่มาก่อร่างสร้างความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสุขก็เกิดจากปัจจัยทุกข์ทั้งหลายก็เกิดจากปัจจัยความรู้สึกที่เป็นทุกข์อันหลังเนี่ยนะก็ย่อมทําความรู้สึกอันเป็นทุกข์อันก่อนให้เป็นอารมณ์แล้วก็เสวย ค, คือสรุปแล้วก็สุดแท้แต่อารมณ์เนี่ยนะอารมณ์เนี่ยเป็นตัวปัจจัยที่สําคัญสร้างให้เกิดความทุกข์และความสุขเพราะฉะนั้น เ, เวทนาจึงมีสมอย่างด้วยกันคือสุขทุกข์และอุเบกขาเนี่ยนะอุเบกขานี่ปัญหามาขึ้นปัญหาสัญญาบ้างพระมหาโกธิตาถามต่อไปว่าท่านผู้เจริญที่เรียกกันว่าสัญญาสัญญาความจะความสําคัญหมายรู้เนี่ยนะ ที่เรียกว่าสัญญาเนี่ยด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงเรียกว่าสัญญาภาษารีบุตรก็ตอบว่าสัญญาเนี่ยนะที่เรียกว่าสัญญาสัญญาเนี่ยจำได้หมายรู้ก็เพราะว่าสัญญาจำหมายในสีเขียวสัญญาที่จำหมายในสีเหลืองสีแดงและก็สีขาวที่เรียกว่าสัญญาก็เพราะว่าสาคัญหมายในสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีขาวผู้ที่เรียนอ่ เรียนธรรมะมาดีเนี่ยจะรู้เลยว่าพูดถึงสีเขียวเนี่ยนะจิตที่มีสีเขียวเป็นอารมณ์มีอะไรบ้างอัธวิปั ญ, ญจก็มีอ่าพวกพวกอะไรนะจักขูวิญ ญ, ญาณก็มีสีเขียวเป็นอารมณ์โลภะโทสะโมหะก็มีสีเขียวเป็นอารมณ์มหากุศลก็มีสีเขียวเป็นอารมณ์ปฐมฌานก็มีสีเขียวเป็นอารมณ์ทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานจนถึงอภิญญาจิตก็มีสีเขียวเป็นอารมณ์ เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสีเขียวเนี่ยนะสัญญารู้สีเขียวปั๊บไม่รู้แค่ว่าจิตที่มีสีเขียวเนี่ยรวมทั้งเขียวธรรมดาถึงเขียวระดับกะสินแปลว่าทั้งที่เป็นอุปจาระและอัปปนาหมายถึงมหากุศลจิตหมายถึงฌานจิตด้วยนั้นคำถามที่บอกสัญญาสัญญาอันนี้รู้เลยว่าพูดคาพูดพวกกระสิน น, นะว่าจิตที่รู้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวพวกนี้เป็นเป็นฌานที่เป็นกสิน อุปจาระและอัปนาที่มีกสินเป็นอารมณ์เนี่ยนะทีนี้ปัญหาต่อไปเนี่ยนะที่พระมหาโกธิตะถามเป็นปัญหาที่แดว่าท่านผู้เจริญทมที่ชื่อว่าเวทนาสัญญาและวิญญาณเนี่ยนะ เหล่านี้มันคละกันหรือว่ามันแยกจากกันเราพอจะแยกธรรมะเหล่านี้แล้วบัญญัติให้แตกต่างออกกันไปได้ไหมแยกเวทนาออกจากสัญญาแยกสัญญาออกจากจิตได้ไหมเวทนาสัญญาจิตเนี่ยนะมันอยู่ในภาษะปัญจกะใช่ไหมธรรมมีภาษะเป็นที่หเนี่ยนะภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตเนี่ยนะจิตทุกดวงต้องมีเวทนาสัญญาและวิญญาณคือจิตตัวนี้เนี่ยทีนี้ถามว่ามันแยกออกกันได้ไหม ภาษารีบทก็บอกว่าเวทนาสัญญาและวิญญาณเหล่านี้มันคละกันแยกออกจากกันไม่ได้เนี่ยนะเราจะแยกธรรมเหล่านี้แล้วบัญญัติให้แตกต่างกันก็ไม่ได้ด้วยเพราะเวทนารู้สึกอันใดสัญญาก็จำอันนั้นสัญญาจำอันใดวิญญาณก็รู้แจ้งอันนั้นสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกันแยกกันไม่ออกหรอกบัญญัติให้แตกต่างออกจากกันก็ไม่ได้เนี่ยนะไม่มีใครจาเนกแยกออกมาได้อย่าง อย่างอื่นๆให้เป็นอื่นไปได้ไม่มีใครแยกได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าสัญญาเวทนาจิตเนี่ยเกิดร่วมกันกับจิตทุกดวงเนี่ยนะจิตทุกดวงที่มีจิตที่ใดมีภาษะที่นั่นแน่นอนต้องมีเวทนามีสัญญาเนี่ยนะกนะ็ที่ใดมีผัสที่ใดมีเวทนาที่นั่นต้องมีสัญญาและจิตที่ใดมีจิตที่นั่นต้องมีสัญญาและ เวทนาที่ใดมีสัญญาที่นั่นต้องมีเวทนาและมีจิตเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้นะน